พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพ่อผู้ให้กำเนิดก่อนอื่นวันนี้หลวงพ่อจะ ทำความเข้าใจกับคณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนวันนี้เป็นวันเสริมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาพุทธศักราช2557วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะ น, นาั้นคณะธาตญาติโยมทุก ลูกหลานทุกคนควรจะทาดีเพื่อพ่อเมื่อทำดีเพื่อพ่อแล้วความดีก็จะมา อ, อยู่ในตัวของพวกเราทุกท่านเพราะนั้นพวกเราทุกท่านวันนี้ตอนเช้าพวกเราได้ทำบุญตักบาทรู้รู้สึกวันล้นหลามแล้วก็ได้มารวมกันที่ศาลาใหญ่ที่พวกเรามาร่วมกันณนะสถานที่แห่งนี้ ถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าพร้อมกันทุกคนหรือผู้ที่จะรักษาศีลอุโบสดก็ได้เอาทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระ เ, เดือนหนึ่งวันเนื่นเดือนหนึ่งเพนนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวัน เสริมพระชนพรรษาจะรักษาศีลอุโบสถต่อวันต่อกันทั้งสองวันก็ยังได้นะหรือรักษาอย่างน้อยก็รักษาศีลห้าทางวันนี้และวันพรุ่งนี้ติดต่อกันก็จะเป็นสิริเป็นมงคลเมื่อเราได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อประบาดจุเนจพระเจ้าจุงหัวให้ทรงพระปรานาไมแข็งแรงทั้ง เ พ, พระวร ก, กายและพระกำลังใจให้พระองค์อยู่ออคู่เมืองไทยเป็นร่มโพธิ์ร่มสยของลูกของหลานออประสบนิกรอนนานเท่านานเอาตอนนี้ไปออผู้นำออพานำไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลต้องหมดพร้อมกันอรรธนาศีล5นะครับอิมินาสกาเลเนา ต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินวันนี้สถานีวิทยุวัดป่านาคำน้อยของเราวัดวิทยุ 107.25 เมกะเฮิรตกระจายเสียงจากวัดป่านาคำน้อยของเราจะ ก, กระจายเสียงในท้องถิ่นในเขตเนี่ยะอำเภอนาโสมนายูงแถบแถบนี้แหละ ไปถึงไหนหรงพ่อเขาไปทราบเหมือนกันนะเพราะเสียงสถานีวิทยุถ้าท่านผู้ใดได้ยินเสียงสถานีวิทยุนานๆวันสำคัญพวกเราจะออกที่นึงแล้วก็วันนี้เป็นการสมาทานศีลพวกเราก็จะได้ออกในท้องถิ่นของพวกเราแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ในวัดของเรา เพื่อเป็นการเฉลิมที่วันเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ห้าธันวาวันนี้ตอนเช้านี้ก็จะนำคณะทัตไายญาติโยมที่มาวัดอของหลวงพ่อให้ได้เป็นผู้มีสินรักษาสินห้ารักษาสินอมโสต เพื่อเป็นเป็นคนดีเพื่อพ่อในเมื่อเราทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นตอนเช้าวันนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พา น, นํนาคณะสัตยาญาณโจรแสมาทานศีลแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็จะมีการไหว้พร ะ, จะเจริญพระพุทธมนต์ก็คงจะออกจากจะออกจาก ส, สถานีวิทยุ S <S <an> เ, เมื่อทาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารบเรื่องวัน เ, นเฉลิมวันนี้นะให้กับคณะัทธายาติโยมได้ฟัง เ, เพื่อประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ต่อนี้ไปก็ให้พวกเราสมาทานศีล การสมาทานศีลในวันนี้เป็นศีลพิเศษนะคณะัศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานขอให้พวกลู ก, ลกหลานทุกคนรักษาศีลห้าตลอดรอดฝั่งทั้งวันนี้วันที่ห้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อไม่ใช่ว่ารับประเดียวประดาแล้วก็ทำให้ศีลขาดนะคือบเป็นใส่ใจรักษาศีลให้บริสุทธิบ์บริบูรณ์เพื่อเป็นการ เมื่อรักษาสิทธิ์บสิณมรดสุตบริบูรณ์แล้วพวกเราก็จะได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสาเร็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรรมราชินีพระปรมวงศา น, นุวงศ์จากนั้นก็ให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบพรมเย็นเป็นสุขอย่าได้มีภัยอะไรเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของพวกเราแผ่นดินทำแผ่นดินทองของพวกเรานะ ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิน่นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะติตัสมาสีลังวิโสทาเยสัสวันนี้ประกาศให้คณะทาัยญาติโยมกลุ่มของเรานะ่แสดงความยินดีด้วยออที่โยมฉลาด ลานมันขวัญเมืองอำเภอน้ m s ส m ของเราได้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาตินะวันนี้นะเอต่อไปแม่เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะนี่นะเอต่อไปให้เป็นแม่ดีเด่นนะเรือได้มาแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันลุงพ่อก็ยังไม่ได้ถามว่าเออลุงพ่อแแสดงความยินดีด้วยเอโยมฉลาดเนะเท่าแก่ลานมันมาวัดทุกวันนะ สมควรที่จะให้เป็นพ่อดีเด่นนะหลวงพ่อว่านนะพ่อดีเด่นเนะี่ยเป็นประกาศเกียรติศัพท์เกียรติคุณให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้รายสาบก็ดีคนทําความดีมันก็ต้องได้ดีอถ้าหากว่าทําความชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าทําความดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรต้องเป็นคนดีนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าว ปารลบวันเสริมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติมามากอเนอกอันันต์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้มีปัญญามากก็ย่อมได้รู้พระคุณรู้พระคุณมากรู้คุณผู้มีอุปการคุณมาก ถ้ามูผู้มีปัญญาน้อยลงมาก็รู้พระคุณในระดับหนึ่งถ้าคนที่โง่เขลาเบาปัญญาเอ่อแล้วก็ไม่รู้พระคุณแต่คนที่มีปัญญาทางโลกและทางเฉลียวฉลาดแต่ว่ามีกิเลสลาคะ ล, ลาคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมาปิดบังกำเหมือนกับพระอาทิตย์ที่จะส่งแสงสว่างลงมาพื้นโลก แต่มีเมฆหมอกปิดบังคือกิเลสราคาโะโธสะโมหะความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรปิดบังก็มองไม่เห็นคุณงามความดีผู้มีอุปกระคุณเหมือนกันน ะ, ะไม่ใช่ว่าคนโง่อย่างเดียวมองไม่เห็นแต่คนฉลาดแต่ทางอื่นแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะกิเลสความอิจฉาในจิตในใจก็มีเพราะนั้นมีต่างเยอะแยะอีกต่างหากในเรื่องเหล่านี้ เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกเราประสกนิกรนทุกหมู่เหล่าตลอดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ที่อยู่คู่กับเมืองไทยหรือพุทธศาสนายุคอยู่คู่กับเมืองไทยก็คือพระมหากษัตริย์นี่แหละเป็นผู้อุปถัมภ์ในเป็นพระราชรราอุปถัม์พวก ยกยอพระพุทธศาสนาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราธิตพ่อขุนรารมํำแหงจนถึงพ่อกรุงศรีอยุธยาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยกรัตนโกสินยุคปัจจุบันพวกเราได้ศึกษาดูแล้วพุทธศาสนาที่พวกเราได้รักเคารพนับถือเลื่อมใสมีพระอริยะบุคคลอยู่ในในพื้นแผ่นดินไทย ตนนี้แหละคือถ้าเจ้าแผ่นดิเนเป็นหลักนะเป็นหลักประกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีที่ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระมหากษัตริย์เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างทุกยุคทุกสมัยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้รับประวัติศาสตร์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่ง สำหรับพวกเร า, เาทุกๆ ท, ท่านาจะแสดงออกถึงความากตันยูกตเวทิต า, าจะแสดงออกถึงความเคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์เป็นผู้มีพระคุณ อ, อย่างมากถ้าหากว่าเปรียบถ้ายกเป็นอันนั้นในพระบาลีเรียกว่ า, เ, าเป็นบุพการาีในส่วนหนึ่ง ปุภาค a r i คือบุคคลผู้มีอุปกรกณ์กตัญญูกะตะเวทิตาพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพระองค์ท่านอย่างไรพวกเราอยู่ข้างนอกก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงความกตัญญูนอกจากพวกเราจะประกอบประกอบคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเข้าให้กับตัวของเราเป็นอันดับแรก อย่างที่หลวงพ่อได้เป็นผู้พานำสมาทานศีลเนี่ยนี่แหละพวกเราเป็นผู้ตั้งต้นตั้งต้นประกอบคุณงามความดีเพราะพวกเราไม่มีอันไหนที่จะไปถวายท่านออหรือว่าไปมอบให้กับท่านเพราะท่านมีพร้อมบริบูรณ์มีแต่ท่านอยากจะให้เราเท่านั้นแหละแต่นอกนอกจากในแต่มีแต่เราเต่พวกเราท่านทั้งหลายให้น้าใจแสดงออกซึ่งคุณงามความดี แสดงออกซึ่งพลังทางด้านจิตใจเป็นการเชิดชูบูชาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่รักษาศีลห้าเนี่ยเมื่อรักษาศีลห้าประกอบคุณงามความดีแล้วก็เป็นก็ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่ระหงวงสานุว ง, วงนี่แหละอันนี้ของเมื่อเราทาคุณงามความดีแล้วคุณงามความดีก็จะเข้ามาสู่ไม่ใช่ไปตลักไปหาท่านส่วนเดียว ก็มาหาสู่มาสู่พวกเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านศีลธรรม เ, เมื่อเราทำคุณงามความดีแล้วใครๆก็ต้องการต้องใครใครๆก็ต้องการรับ เ, เมื่อเราทำคุณงามความดีใครก็อยากจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณาญาติทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราทำความชั่วแหละจะอุทิศความชั่วนะะจะอุทิศความชั่วให้กับคนอื่นล่ะใครจะเอา ข้าพเจ้าไปทำความชั่วมาแล้วขอให้ท่านได้รับส่วนแบ่งจากข้าพเจ้านะใครได้ยินก็ขยาดหลบนี้ไปคนละแห่งหละหนแต่ถ้าว่าข้าพเจ้าไปสร้างคุณงามความดีมานะ่าประกอบคุณงามความดีขอให้ท่านมีส่วนรับรับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่ได้ไ ป, ไปทาคุณงามความดีมาพวกเราได้ยินก็นอนุโมทนาสาธุสาธุพร้อมๆกัน รับบุญกุศลที่ได้ไปไปประกอบคุณงามความดีนี้ก็เหมือนกันได้แหละเมื่อพวกเราประกอบคุณงามความดีจะนอบอุทิศเรือนอบถวายเป็นพระราชกุศลก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญที่ว่าวันพ่อคําว่าพ่อคำนี้นี่ยมันลึกถึงใจทุกคน พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดเมื่อพ่อให้กำเนิดพวกเราเกิดมาแล้วมองไม่เห็นไขอันดับแรกก็มองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนพวกเราเป็นเด็กเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาถึงจะเห็นส่วนอื่นก็เถอะก็ไม่สาคัญเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นะสาคัญกว่าเห็นไขรอื่นในเมื่อเรามองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นวะ่า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 ถ้าผู้มีปัญญาบรรยายดูยสิที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบจะเลี้ยงอย่างไง เ, เพียงประเด็นนี้เท่านั้นแหละอผู้มีปัญญาจะอัป บ, บรรยายให้ฟังสินเนี่ย เ, เมื่อท่านเลี้ยงเรามาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามามันทุกยากลําบากขนาดไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเลี้ยงลูกของพวกเราลาบากขนาดไหนเมื่อก่อนที่จะใหญ่ขึ้นมาถึงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่ พ่อแม่พ่อแม่ได้ลูกตัวเด็กเล็กขึ้นมานะประครบประงมถึงขนาดไหนจึงเป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละบรรยายไปทิ่นีมากมายมหาสาลเพื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วจากนันกระเลี้ยงท่านตอบนะตอบยังไงตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่เราเป็นคนดีเป็นอันดับแรกนะจากนั้นก็หาทรัพสมบัติ ที่ท่านที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงท่านขาดเหลือขาดตกอะไรที่พวกเราจะได้ช่วยเหลือทดแทนพระคุณของท่านท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงนี่บรรยาญาเดี๋ยวนี้ที่เราจะทดแทนพระคุณท่านด้วยอย่างไรเมื่อท่านมีพระคุณกับเราแล้วนะแล้วก็ เ, เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูวละมาแล้วเลี้ย ง, ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านอา คำกิจธุระของท่านพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกม า, เ, าเพื่อสืบท อ, อดม ร, รดกต้องทํากิจธุระที่ท่านมีอะไรที่จะช่วยเหลือท่านได้เราก็ต้องทําช่วยเหลือท่านาทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลอดํารงวงศกุลคล้ายๆว่าเป็นคนดีทหาวันเราเป็นคนเลวของลูกของพ่อของแม่แล้วพ่อแม่ จะเป็นผู้ดารงวงสกุลได้อย่างไรเราต้องเป็นคนดีของพ่อของแม่ของตระกูลคือจะเป็นผู้ดารงว ง, วงตระกูลไปได้ถ้าหากว่าเป็นคนเลวเนี่ยเขาจะนับเนื่องไหมตระกูลของเราจะนับเนื่องไหมพ่อแม่จะนับเนื่องไหมเป็นคนเลวไปกินเหล้าเมายาเที่ยวสมะเลเทปเมาเออทำความชั่วเสียหายให้ตระกูลเป็นผู้ทําลายตระกูลไม่ใช่ดารงวงตระกูล และกับประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกอันนี้จุดนี้สําคัญพ่อแม่ที่จะมอบ ส, สมบัติให้กับเา่าลูกต้องเป็นคนดีต้องเป็นที่ไว้วางใจของพ่อของแม่ในเมื่อมอบสมบัติมอบยดถาบรรดาศักดิมก์มอบทุกสิ่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกลูกต้องเป็นคนดีลูกต้องมองดูตนเองเมื่อ เไม่ใช่ว่าจะให้แต่พ่อแม่มองนะลูกก็ต้องมองเราในสมควรที่จะรับมะระดกของพ่อแม่ไหมนี่ทําตัวอย่างนี้ เ, เราเป็น เ, เล่นการพนันไปสิ่งทําความช่วยเสียหายต่อพี่น้องประชาชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองเออจะเป็นนักโทษอยู่แล้วเนี่ย อ, อถ้าทําความช่วยทำผิดกฎหมายเนี่ย เ, เราจะเป็นผู้ สมควรรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่ได้ไหมเนี่ยอพ่อแม่ก็ต้องได้คิดซะก่อนในเมื่อเราหาทรัพย์สมบัติมาด้วยความยากลําบากแต่เราจะมอบสมบัติให้กับลูกของเราเนี่ยลูกของเราจะเป็นคนดีจะเป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกไหมเนี่ยในเมื่อรับทรัพย์มรดกของเราไปแล้วเอามรดกไปปูยี่ปูยำ่ำอะไรเสียหายเอออันนี้พ่อแม่ก็ต้องได้คิดแล้วคิดอีกเหมือนกัน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปมองว่าพ่อแม่ไม่มอบมรดกให้ที่ท่านไม่มอบมรดกให้นั้นเพราะเราเป็นอย่างไรให้พวกเราตรวจตราดูตนเองว่าข้าพเจ้าสมควรควรรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่ไหมนี่ให้ถ้าเราตรวจตราดูแล้วสิ่งไหนที่พ่อแม่ไม่สบายใจเช่นว่าเราไปกินเหล้าเอาเราหยุดเท้าเล่นเก่งเก่งการปนันเราหยุดเราเที่ยวเตะเล่่อนเราหยุด เราไปมากๆในเรื่องสามีภรรยาเที่ยวไปออกนอกรูนอกฐานเราหยุดสรุปแล้วก็คือเราหมั่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพเ น, ะนะเมื่อเราหยุดอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ก็เออในลูกของเราเป็นคนดีสมควรควรจะให้มอบความไว้วางใจมอบทรัพย์มรดกให้เนี่ยอันนี้คือ เป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาจะต้องมองตนเองนะไม่ใช่ให้คนอื่นมองเรามองตนเองมองมองเจ้าของพูดง่ายๆนะจากนั้นก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นผลที่พวกเราได้เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมทุกๆท่านนะนี่แหละคือ ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรธิดาเกิดมาแล้วก็มองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่คืออยู่เบื้องหน้าของพวกเราเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุตรอุทิศสว่สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนจะต้องสํานึก หรือใส่ใจเอาไว้อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวตรัสเอาไว้ตั้งแต่ยุคสมัยโน้นเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทธไทายญาติโยมลูกหลานทุกคนถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติหลวงพ่อจึงได้ปารภคาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็ไม่ใช่มีแต่พ่อ ของเรานะยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกครูบาอาจารย์ก็คือให้ธรรมะอย่างหลวงพ่อเนี่ยที่บวชเข้ามาแล้วก็พ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งละเลี้ยงดูหลวงพ่อจากนั้นมาหลวงพ่อก็มาบวชกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าที่หลวงปู่จามหลวงปู่แววนหลวงตาที่จําพรรษาร่วมกับท่านอันนี้ก็คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับหลวงพ่อท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรอันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนั้นควรไม่ควรตลอดตลอดถึงการวิธีการรักษาศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสิปอาสวะกิเลสอย่างไรอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนธรรมะแนวความคิด แต่พ่อแม่ทางโลกนะสอนเลี้ยงดูเร า, เาทางด้านวัตถุมองทางด้านวัตถุเป็นส่วนมากาคือข้าวน้ําโภชนาะอาหารปัจจัย4แต่ทางด้านจิตใจก็มีบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานาท่านก็ได้ในระดับหนึ่งแต่พวกเราก็มาเรียนรู้ศึกษาต่อเองเอาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เราจะศึกษาคนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าจะว่าไปแล้วท่านสอนท่านให้ทําให้ธรรมะทางด้านจิตใจพ่อแมนะ่ให้อาหารทางด้านวัตถุเสียมากกว่าแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้ธรรมะทางด้านจิตใจคิดยังไงแล้วก็ทํำยังไงพูดยังไงถ้าคิดดีการการะทําก็ต้องดีการพูดก็ต้องดี ถ้าคิดชั่วการกระทําก็ชั่วการพูดก็ชั่วมันไปตามที่แนวความคิดเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนพวกเรานี่พระพุทธเจ้าที่ก่อนหน้านั้นท่านก็ยังไม่ได้เมื่อท่านยังไม่ได้ตดรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านก็ไม่ได้บอกว่าสมัยก่อนชิตถะเป็นยังไงท่านไม่ได้ว่าท่านว่าตั้งแต่วันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นับตั้งแต่นาทีที่ท่านได้ตัดรู้มานั่นน่ะท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเมื่อประกาศพระธรรมคํำสอนออกมาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่ท่านประกาศออกมาแล้วนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้นำพระธรรมคำสอนออกมาแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนพวกเราต่ออีกออต่างคนก็ต่างยอมรับทุกยุคทุกสมัยว่าเป็นพระธรรมคำสอนเป็นสว่าขาตรธรรมตรัสไว้ชอบที่พระพุทธเจ้าได้ตรรู้พระธรรมนั้นเป็นของจริงจากนั้นท่านก็แนะนาสั่งสอนแนวความคิดท่วิธีที่จะห้ามความคิดนั้นทำทำอย่างไร อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนตรัสเอาไว้ที่ว่าท่านเราได้ทําที่โคนต้นโพในวันนั้นวันเดือนหกเพ น, นเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือทาจิตใจของเราให้สงบที่จะเดินเข้าสู่เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้น นี่แหะอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ได้นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะถึงพวกเราจะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงอ้วนหมีผีมันขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็เถอะนะแต่ร่างกายของเรานี่มันถึงจุดจบได้ เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีเมื่อตายแล้วเนี่ยถึงจะจุดจบแลก็เถอะมันไม่ศูนย์เนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาต้องฟังฟังเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เนี่ยท่านพระองค์ได้ไปลงทุน เ, นเออไปลงทุนศึกษาอยู่ตามลําพังพระองค์นะถึงหกปีเนีเป็นพระมหากษัตริย์ไปอยู่ในคลุกอยู่ในป่าดงพงไผ ไปลองผิดลองถูกทั้งหปีพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายทรัพสมบัติของเราไม่เท่าเทียบเท่ากับ เ, เล็บดำของพระพุทธเจ้าแต่คะแนนขนาดนี้พวกเราก็ยังมาโอ้โหทุกยากลำบากเหลือเกินทั้งที่มาอยู่นสถานที่มีน้ำมีไฟมีอาหารการบริโภคทุกอย่างามีคนรู้จักมักคุณอีกต่า ง, างหากมีคนรับรองอีกต่างหาก แต่นี้พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ประพฤติประพฤติตนเหมือนเป็นคนขอทานาไปขอข้าวชาวบ้านมาทานเป็นถ้าเชา้าเช้าพอทานเสร็จแล้วมานั่งคน้นค้นคิดหาเรื่องต่างๆที่จะทำยังไงถึงจะตัดรู้พ้นทุกคล้ายๆว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเรา เ, เหมือนกับไป งมหาเข็มในมหาสมุทรอย่างลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เข็มมันตกในมหาสมุทรเอาคล้ายๆว่าไปลงทุนไปหาหาเข็มในมหาสมุทรอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันใครเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้ า, ร, ดด า, จารู้ยังไงทำยังไงถึงจะได้คิดยังไงในจุดนั้นคิดที่ว่า เ, <อ>เราเห็นคนแก่ คนเจ็บคนตายแล้วเราจะทํำยังไงจึงจะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายฮนะีอันนี้คือประเด็นละประเด็นแรกนะจากนั้นก็มาคนา้นคว้าเลยจะทํำยังไงจึงจะไม่มาแก่มาเจ็บมาตายเผลที่สุดค้นไปค้นมาพบมาจนถึงวันเดินควนจะพ้นยังไงได้ถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะทํำยังไงจิงจะไม่เกิดนี่พระพุทธเจ้ามองดูสิ่งที่พาให้เกิดนั่นคืออะไรคือกิเลส ราคะโทสะโมหะที่ทําพาทำให้เกิดนี่แหละพระพุทธองค์ได้ชําระพระฒัยใจของพระองค์บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวักิเลสคือโลภโกร่งที่จะนําที่จะพาพระฒัยใจของพระองค์นํามาเกิดในวัฏสงสารนี้อีกพระองค์ชําระพระฒัยใจบริสุทธิ์เยวันนิพพานังปรามังสุขอันนิพพานังปรามังสุขขัง น, ขขนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังสูญอย่างสูญใจของพระองค์พระไทยของพระองค์สูญจากเชื้อคืออาสวักิเลสโรคโกรธหลงจกดิใจบริสุทธิ์ท่านจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนี่แหละขอให้พวกเราคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนเนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่ว่ากันหาสวัสดิหาทรัพย์ก็ไม่ว่ากัน แต่จะไปคิดว่าตัวเองฉลาดเพียงแต่หาทรัพย์สมบัติเพียงแท่นั้นยังไม่พอนะอถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เติรถึงจุดจบชีวิตของเราไม่เอาความไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันชี้เพียงแต่ชี้ให้ดูเท่านั้นเองว่าจริงไหมเราเรายอมรับไหมคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราร ว, วยกว่าเราเนี่ยตายไปก่อนนะหน้านี้เนี่ยมีไหม เ, เราจะเป็นจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ เพียงแต่ว่าชี้ประเด็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือให้พวกเราตั้งยใจในความไม่ประมาทและให้ศึกษาขนาดศิท ธ, ธัตถะพทุทธเจ้าท่านยังศึกษาแต่พวกเราไม่เป็นใครพวกเราก็ควรจะศึกษาเหมือนกันจริงไหมที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมานั่นนะท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญอย่างไรให้นั่งภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายบังคับให้สติอยู่กับตัวเองถึงจะเจ็บปวดขนาดไหนก็อย่าไปใส่ใจในการเจ็บปวดแข้งขาตีนมือเออที่ไหนก็ตามให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเมื่อจิตใจรวมสุขบเป็นหนึ่งแล้วเออมันจะหายปวดเออเพราะมันใจใจเมรุรับรู้ทางกาย ใจไม่รับรู้ทางกายใจเป็นใจกายเป็นกายใอ่เหมือนกับเราอยู่ดืนอยู่ข้างรถข้างรถะถึงไฟจะไหม้รถเนี่ยเราอยู่ห àng, ่างๆใชอมันจะไหม้ขนาดไหนมันก็ไหม้ไหม้รถนะแต่เราไม่ร้อนเพรา ะ, ะอะไรเพราะเราอยู่ห่าง ห, ห่างรถนะ เ, เราจะไปกูอยู่ใกล้ถ้าเยาไปอยู่ในรถมันกับไฟมันก็ต้องไหม้ธรรมดานี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในกายเราเภาวนาย น, นั่งอยู่ในกายกายอยู่เราก็ต้องแบ ก, แบกร่างกาย เมื่อร่างกายปวดเราก็ต้องปวดเพราะเราอยู่ใกล้มันใชท่านเราอยู่ห่างมันใชเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งและเป็นเอกเทศแล้วกายก็คือกายใจก็คือใจเอนั่นแหละที่ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิรู้ว่ากายก็คือกายใจก็คือใจเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วกายนั่นแหละถึงจุดจบของมันตายได้แต่ใจนั่นแหละที่ออกมาจากร่างนั่นตัวนั้นจะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่าง ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายรัหว่ามนโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นการเป็นอยู่การดํารงชีพให้มีศีลมีธรรมให้รู้จักพักคุณของผู้มีอุปกระคุณแต่ผลที่สุดมาโค้งสุดท้ายเนี่ยนะ ถึงยังไงก็เถิดชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ถึงชาวไร่ชาวนาเป็นนักพจนักบวชเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผลที่สุดกันหลวงพ่อก็ต้องวางทิ้งบริขารทิ้งร่างกายไปตามเหมือนกับพวกเร า, าทั้งหลายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ไปด้วยกันคือมรณะภัยมาถึงแล้วไม่มีใครที่ ไม่มีใครยกเว้นได้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะ่ะพูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ฟังว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกนะตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร น, นัตตนีนะ